พ่อี ข้าแต่พระผู้เป็นดวงจากสุแห่งโลกแม้พระองค์จะเสด็จดับขันพริญิพานนานนับพันปีแล้วแต่พระธรรมคำสอนของพระองค์ยังคงสว่างสวัยในจิตใจของสาธุชนทั้งหลายมิรู้ดับยังคงเป็นกระแสทานเที่ยมในความเยือกเย็ยนชุ่มชื่นแกสัพพะสัตทั้งหลายผู้เราร้อน ยังคงเป็นมักคาที่นำพาสาัพพสัตทั้งหลายให้ผลทุก้าพระพุทธเจ้าขออภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเสียนกล้าขอความสุขความสวัสดี จึงมาเกิดมีแกยดโยมผู้รับฟังรายการทุกทุกท่านอาตมภาพพระสมรักยานธีโรวัดพันสีตำบลจารพัฒอำเภอสิขรภูมิจังหวัดสุรินได้มาพบปะกับยดโยมสาธุชนทุกท่านเป็นประจำ ตั้งแต่เวลาตี 5-6 บถึงเช้าในรายการร่มธรรม<อ>เวลา8นาฬิกาถึงเวลา9นาฬิการายการกรวีบทรถธรร ม, มเวลา16นาฬิกาถึงเวลา17นาฬิการายการภาษาธรรมภาษาถิ่นเวลา18นาฬิกานาทีถึงเวลา19นาฬิกา รายการกวีบรษธรรมเวลา21นาฬิกาถึงเวลา22นาฬิการายการธรรมะเพื่อชีวิตและก็บางครั้งบางโอกาสก็เวลา12นาฬิกานานาฬิกาจนถึงเวลา13นาฬิกาในรายการธรรมะเพื่อชีวิต ญาติยโยมสาธุชนทั้งหลายสามารถติดตามรับฟังรายการที่อาตมาภาพได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้ตั้งแต่เวลา6โมงหตี5 8นาฬกานาฬิกานาฬิกานาฬิกานาทีและ21นาฬิกาก็แล้วแต่ความสะดวกสบายของญาติโยมสาธุชนทั้งหลาย ก็มานั่งพูดคุยกันให้กับญาติโยมสาธิชนทั้งหลายวันละ4ี่ห้าชั่วโมงให้กับญาติโยมได้ติดตามรับฟังในแต่ละวันของเวลานี้โดยเฉพาะในช่วงนี้ก็เป็นเวล า, าดีในส่วนของสี่มงเย็นในช่วงของเวลาที่ลูกหลานของญาติโยมนั้นเลิกจากโรงเรีย น, นกลับบ้านกลับวาถ้าเป็นสามเณรก็กลับวากลับวัดกลับวาถ้าเป็น ลูกหลานของญาติโยมเองก็กลับบ้านก็แลกขันญาติโยมก็ช่วงนี้ก็คงจะเป็นในช่วงของการพูดคุยนะในส่วนของเรื่องราวที่ในช่วงเวลาสี่โมงเย็นนั้นก็จะนำระเบียบพิธปีปฏิบัติของชาวพุทธมาฝากให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายแต่ญาติโยมนั้นได้ติดตามรับฟังในส่วนของรายการมาโดยดีตลอดก็จะ เข้าใจเองว่าหลักระเบียบพิธีนั้นมันไม่ใช่เรื่องยากเลยถ้าฟังพระอาจารย์สมรักว่าอย่างนั้นนะก็ฟังเอาเองก็แล้วกันญาติโยมนะวันไหนที่มีเวลาว่างก็เปิดคลื่นร้อยหกจุดเจ็ดห้าเมกะเฮิร์มานั่งฟังนะเพื่อนำไปคิดไปพิจารณารายการนี้ก็มีทั้งพระคุณเจ้าในแต่ละวัดท่านได้เปิดคลื่นแล้วฟังด้วยแลวก็ญาติโยมที่ ติดตามรับฟังเป็นประจำด้วยนี่ก็ถือว่าเป็นรายการที่ไม่แบ่งชนชั้นวันนะนายโยมพระก็ฟังได้นายโยมก็ฟังดี <c oughs> นะก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติก็แล้วกันหลายวันที่ผ่านมาก็ต้องขออภัยด้วยไม่ได้มาจัดรายการสดให้ท่านพระอาจารย์สุพัธร์ทำหน้าที่แทนเนืน่องจากว่าติดภา ร, ระในส่วนของงานโรงเรียนพระป ร, ะริยติธรรมพันศีวิทยา ต้องเดินทางไปทําการอบรมที่จังหวัดบุรีรัมณฑ์ที่วัดกลางพระรามหลวงนั่นแหละญาติโยมนะสามวันที่ผ่านมาหนาะก็ไม่มีโอกาสมานั่งพูดคุยก็คิดถึงญาติโยมคิดถึงพระคุณเจ้าที่เปิดเคลื่อนรับฟังเป็นประจำหนาะก็ไม่เป็นไรแต่ก็มีหนาะท่านพระอาจารย์ท่านมานั่งพูดคุยบ้างหนาะเปิดเพลงให้ฟังบ้างหนาะก็แล้วแต่เนื้อหาสาระที่ผ่านมา นะก็ต้องถือว่ายาจมนั้นก็ยังให้การรับฟังเป็นอย่างดีนะก็อย่างว่าเละยะจมเนื่องจากว่าภาระในช่วงนี้ก็พอสมควรทีเดียวนะตั้งแต่เช้าไหนจะจัดรายการวันละสี่ชั่วโมงในจะสอนเนนวันละหกเจ็ดชั่วโมงนะก็แบ่งเวลานี่ก็คงจะถูกต้องหลังจากโจบรายการอีกประมาณสิบแปดนาฬิกานี่ก็ต้องไปสอนอาสามนเนนต่ออีกนะยจม ก็จนถึงประมาณสองทุ่มนั่นแหละนาะหลังจากนั้นก็ไปพูดคุยกับญาติโยมอีกประมาณ21่สินาฬิกานสทุ่มอีกนาะก็พยายามที่จะนําเนื้อหาสาระดีๆมาฝากกับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายด้วยนาะก็หลายวันที่ผ่านมาก็มีญาติโยมโทรศัพท์เข้ามาสู่รายการเพื่อติชมรายการนาะเพื่อพูดคุยกับพระอาจารย์หลายๆท่านด้วยกัน และก็พูดคุยกับอาตมาภาพก็ต้องขออนุโมทนาด้วยญาติโ ย, ยมท่านใดที่ต้องการที่จะโทรศัพท์เข้ามาสู่รายการก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาได้ที่0ย์0 44 560 488 044 560 488ก็เข้าสู่รายการได้เป็นปกติญาติโยมนะขอสนทนาธรรมหรือต้องการจะติชมรายการหรือจะต้องแจ้งต้องการแจ้งข่าวในส่วนของการประชาสัมพันธ์หมู่บ้านในส่วนของการประชาสัมพันธ์วัดวารามว่า วัดวารามในช่วงนี้ได้จัดกิจกรรมอะไรบ้างนะอย่างนี้เป็นต้นโดยเฉพาะหลายวันที่ผ่านมาก็จัดกิจกรรมมากมายเลยทีเดียวแม้แต่วัดพันศีเองที่ผ่านมาก็จัดกิจกรรมมากมายพอสมควรนะแต่เนื่องจากว่าในช่วงนี้ทางวัดพันศีนั้นก็ยังมีกิจกรรมพาระพอสมควรโดยเฉพาะโรงเรียนพระป ร, ะระยะิยัติธรรมพันศีวิทยาดีก็ นะ่ามีพระพิสุทธิมเณรเกือบหนึ่งร้อยรูปทีเดียวยัดโยมปีนี้นะ่ะยัดโยมท่านใดที่ต้องการที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพในส่วนของการถวายพัฒหารเพนในการที่จะร่วมถวายสมุดหนังสือปากกาพระภิสุทธิมเณรอวัดพันศีและก็เครือข่ายในส่วนของโรงเรียนพระปริยัติธรรมบันศีวิทยาก็สามารถที่จะร่วมอาสมทบทุนมาที่อาตมภาพหรือแจ้งไปได้ที่ท่านเจ้าอาวาสก็ได้นะายจบก็ไม่ว่ากัน ที่ไหนสะดวกก็ที่นั่นทับได้ยดจุวันนี้ได้รับโทรศัพท์มาจากคุณโยมนู้นที่อยู่บ้านบ้านปุนหรือเปล่าในจำชื่อหมู่บ้านไม่ได้ <c oughs> นะขออภัยด้วยคุณโยมนะที่โทรศัพท์เข้ามาเมื่อประมาณสองชั่วโมงที่ผ่านมาบอกว่าอยากจะร่วมถวายพัฒหารเพงกับพระพิสุสามนเณรและก็ลูกหลานที่มาเรียนในวันอาทิตย์ด้วยว่าอย่างนั้น เดี๋ยวจะให้ท่านอาจารย์สุพัฒนช่วยประกาศอีกทีหนึ่งเห็นนะบอกว่าสอบถามมาทางวัดว่ามีช่วงนี้มีพระพิสุโดยเฉพาะเสาร์อาทิตย์นี่มีประมาณกี่รูปว่าอย่างนั้นก็ประมาณ30รูปนะญาติโยมที่วัดมีประมาณ30รูปทั้งพระทั้งนินโดยเฉพาะวัดส่วนถ้าเป็นโรงเรียนในวันจันทร์ถึงวันศุกร์นี่ก็มีประมาณเกือบ100รูปนะก็เยอะพอสมควรทีเดียวญาติโยมแต่อยากจะร่วมถวายพัดต่างนเพลิน ก็เชิญได้พระโยมนะคุณโยมบอกว่าอยากจะร่วมถวายพัฒหารเพนในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ด้วยนะในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ก็ขออนุมัตินาว่าอยากจะมาร่วมสร้างศาลาด้วยว่าอย่างนั้นศาลาวัดพันศรีไปถึงไหนแล้วพระคุณเจ้านะก็บอกว่าเกือบจะแล้วเสร็จแล้วละ่ะก็เหลือประมาณ30เปอร์เซนการงบประมาณอยู่ที่ประมาณ 500,000 กว่าบาท ห้าแสนนี่ก็ไม่ใช่น้อยนาะยจยมนะแต่หาได้วันเดียวในคงรวยไปแล้ว <c oughs> นะนาะยจยมก็สามารถที่จะร่วมสมทบทุนมาได้ที่สถานีวิทยุชุมชนเพื่อพระพุทธศาสนาหรือติดต่อขอร่วมบริจาคได้ที่ท่านพระอธิการการุณธรรมววโรณเจ้าอาวาสวัดพันศีหรือที่อาตมาภาพพระสมรักยานทีโรก็สามารถโทรศัพท์มาได้ที่เบอร์โทรศัพท์0ูย์ด 2602702ในกรณีที่ต้องการที่จะร่วมอาสมทบทุนสร้างศาลาการเปลี่ยนวัดพันสีด้วยว่ายางันก็มีจากกรุงเทพหลายท่านเหมือนกันโทรศัพท์เข้าไปสู่รายการด้วยและก็โทรศัพท์มาสู่เบอร์ส่วนตัวด้วยเพื่อสอบถามว่าในช่วงนี้การดำเนินการศาลาไปถึงไหนแล้วเพราะช่วงนี้อยู่ในการหยุด นาะสร้างศาลาเพราะว่างบประมาณยังไม่เพียงพอที่จะดําเนินการก่อสร้างศาลาการเปลี่ยนก็จําเป็นจะต้องหยุดไว้ก่อนเพื่อรอ ง, งบประมาณจากพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่ต้องการที่จะร่วมด้วยช่วยกันในการสร้างศาลานะในครั้งนี้ก็แล้วกันเพราะว่าศาลาหลังนี้นี่ถ้าสร้างเสร็จเมื่อไหร่นี่ก็ใช้ประโยชน์มากมายทีเดียวโดยเฉพาะในเรื่องขอ ง, ของโครงการต่างๆไม่ว่าจะเป็นโครงการนาะอบรมเยาวชนโครงการ อภารู้ดูร้อนณนะโครงการในส่วนของนะแหล่งเรียนรู้นะรับอบรมธุรานาจากไ อ, <c oughs> อ้ยังไงหอสไลเองนี้บรรจุคนได้เป็นพันที่เดียวยดยมได้ใช้ประโยชน์ในส่วนของทางบริษัสนาใช้ประโยชน์ในส่วนของชุมชนชุมชนแห่งใดต้องการที่จะใช้ประโยชน์นะก็สามารถที่จะร่วมโดยช่วยกันได้หรือชุมชนใดต้องการที่จะร่วมถ่ายทอดสดออกอาก า, กาศ มาจัดประชุมที่เวทีสาลาวัดพันธสีได้เช่นเดียวกันก็จะยิงสัญญาณมาที่สถานีร้อยหจเจห้าเมกเฮิร์แห่งนี้แล้วก็จะเข้าสู่เครื่องใหญ่นะกระจายไปทั่วราชอาณาจักรของร้อยหเจห้าเมกเฮิร์นะอันนี้อยู่ที่ส่วนของการรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานต้องการที่จะประชาสัมพันธ์มากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะก็ถือว่าเป็นเรื่องดี อย่างนั้นก็ต้องขออนุโมทนาคุณโยมด้วยปเปิญว่าจําชื่อบอกว่าชื่อเล่นว่าชื่อคุณโยมอิทนาะบ้านปุตทุนหรือบุทโทมนี่จําชื่อไม่ได้นะยะโยมขออาภัยด้วยแต่ก็จดไว้ไม่ได้เอาขึ้นมาก็ขออนุโมทนาที่จะมาร่วมถวายพัฒนารพีนในวันอาทิตยนะ์ที่จะถึงนี้ด้วยนะแล้วก็อยากจะร่วมทําบุญกับลูกหลานนะพุทธศาสนาวันอาทิตย์ด้วยนะนนี้ก็ถือว่าเป็นอาวาสกอุบาสีกาที่ อยากอย่รวมโดยช่วยกันในส่วนของการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาถ้าไม่มีญาติโยมไหลนะถ้าไม่มีญาติโยมอุปธรรมถ้าไม่มีอุบาสกถ้าไม่มีอุบาสิกาอุปธรรเนี่ยวัดวารามพระภิกษุษสามเณรก็จะอยู่ด้วยกันไม่ได้นะญาติยโยม นะก็วันนี้อยากจะนําเรื่องราวต่างๆมาพูดคุยต่อก็แล้วกันเพราะว่าสองสาวันที่ผ่านมาที่ไม่ได้เข้ามาสู่รายการก็ได้คุยเรื่องราวหลักธรรมต่างๆค้างไว้ให้กับญาติโยมที่ติดตามรับฟังด้วยโดยเฉพาะวันก่อนนุนก็ได้พูดถึงระเบียบปฏิบัติการใช้หน้าได้สายสินติ่งความหมายของได้สายสินญาติโยมก็จะเข้าใจกันแล้วแหละนะประโยชน์ของพฤติกรรมในการใช้ได้สายสินความนิยมในการใช้ได้สายสิน เขามีความนิยมกันอย่างไรนะวิธีการวงได้สายศิลเขาจะวงกันอย่างไรการวงได้สายศิลรอบบ้านนี่เขาจะวงกันอย่างไรนนะแล้วกนะ็การใช้ได้สายศิลทอดผ้าบังสุ kul นี่เขาจะใช้ทอดกันอย่างไรนะนะก็สามารถที่จะนะรับฟังต่อได้ย่าโยมนะในส่วนนี้นะเพราะว่า าการใช้ได้สายสินทำงานมงคลนี่เขาจะทำกันอย่างไร น, น, นี้พูดไปแล้วเมื่อสองสามวันที่ผ่านมาด้วยวันนี้จะพูดคุยในส่วนของระเบียบปฏิบัติการมอบเทียนชนวนแก่ผู้ใหญ่หมายความว่าในงานที่ยัโยมเคยไปร่วมงานต่างๆยัโยมจะเห็นว่าอาจจะมีผู้ที่คอยจุดเทีย น, นเทียนชนวนให้แก่ผู้ใหญ่โดยเฉพาะสมมติว่าเราจะ เชิญนะท่านนายกอบตอเชิญผู้ใหญ่บ้านเชิญนายกรัฐมนตรีหรือเชิญใครก็แล้วแต่ที่มีหน้ามีตาในทางสังคมมาเป็นประธานในพิธีนะอย่างหนึ่งแหละก็คือก่อนที่จะจุดทูบเทียนนั้นจะจะต้องมีผู้ทําทการจุดเทียนชนวนเพื่อมอบให้แก่ผู้ที่จะจุดเทียนชนวนนั้นนะก็คือการมอบเทียนชนวนแก่ผู้ใหญ่ยจศทีนี้ เมื่อเรารู้แล้วเราจะทำกันอย่างไรการเตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้นี่เราจะเตรียมกันอย่างไรหมายความว่าผู้เป็นพิธีกรก็ทำหน้าที่มอบเทียนชำนวนนะ่าแก่ผู้ใหญ่ผู้เป็นประธานพิธีงานนั้นๆน่นนะซึ่งเบื้องต้นนั้นจะต้องเตรียมจัดหาอุปกรณ์เครื่องใช้ไว้ให้พร้อมนาะยจมหนึ่งละก็เชิงเทียนขนาดกลางหนึ่งที่นะ ควรเป็นเชิงเทียนทองเหลืองเพราะติดเทียนได้มั่นคงดียะจกนะประการที่2ก็คือเทียนขี้พึ่งขนาดใหญ่พอสมควรหนึ่งเล่มควรหาเทียนที่มีไสใ้ใหญ่ๆเพื่อไฟเพื่อจุดแล้วนี่ไฟจะไม่ดับง่ายๆ ย, ยะจบประการที่3ก็คือน้ำมันยางหรือน้ำมันกา๊าดหรือน้ำมันเบนซินพร้อมทั้งสำลี นะสำหรับใช้เป็นชานวนติดไว้ที่ทูบและก็เทียนที่บูชาเพื่อสะดวกแก่การจุดไฟติดได้เร็วถ้าหาสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ก็ง่ายง่า ย, ายก็มีพวกยาหม่องนี่ก็ใช้ไปชุบกับสำลีได้แล้วก็เอาไปจุดนี่ก็จุดติดเร็วเหมือนกันนาะยจักนะอันนี้ก็คือเอาไปพันๆไว้ก่อนนะเพราะถ้าไม่อย่างนั้นนี่จุดยากนาะยจักรยมถ้าเราไม่ทำอย่างนี้นี่จะจุดยาก การถือเชิงเทียนชนวนยันจบการถือเชิงเทียนชนวนนี่มอบให้แก่ผู้ใหญ่ซึ่งเป็นประธานพิธีนั้น น, น, นี่นิยมถือด้วยมือขวานะนิยมถือด้วยมือขวาโดยหงายฝ่ามือนิ้วมือทั้งสนิ้วรองรับเชิงเทียนนะหัวแม่มือจับอยู่เบื้องบนของเชิงเทียน ไม่นิยมจับกึ่งกลางเชิงเทียนเพราะจะทำให้ผู้ใหญ่รับเชิงเทียนชนวนไม่สะดวกหรือทำให้ผู้ใหญ่ต้องเสียภูมิเพราะจับเชิงเทียนชนวนภายใต้มือของพิธีกรผู้ส่งให้แสดงว่าไม่ถูกระเบียบ น, น, นี่คือวิธีการถือเชิงเทียนชนวนวิธีการมอบเชิงเทียนชนวน อาจจะมีการมอบกันอย่างไรเมื่อถึงเวลาตามกำหนดการแล้วนี่พิธีกรพึงจุดเทียนชนวนถือด้วยมือขวามือซ้ายควรถือไม้ขีดไฟติดมือไปด้วยเมื่อเทียนชนวนดับจะได้จุดให้ถันทุงทีนะอันนี้มีข้อแม้นะนะเพราะว่าไม่ทำให้งานมันติดขัดยั่ยม เดินเข้าไปหาท่านผู้เป็นประธานในพิธียืนตรงโค้งคำนับท่านหรือเมื่อพิธีกรเริ่มจุดเทียนชนวนท่านผู้เป็นประธานพิธีเห็นแล้วลุกจากที่นั่งเดินไปที่โต๊ะหมู่บูชาพระรัตนตรัยเองพิธีกรพึงเดินตามหลังท่านไปโดยเดินตามไปทางด้านซ้ายมือของท่านประธานพิธีหยุดยืนที่ข้างหน้า ที่บูชายาโยมพิธีกรก็พึงนั่งชันเขา่าถ้าประธานพิธีนั่งคุกเขา่าพิธีกรพึงนั่งคุกเขา่าทางด้านซ้ายมือของท่านยื่นมือขวาส่งเทียนชนวนมอบให้ท่านส่วนมือซ้ายห้อยอยู่ข้างตัวเมื่อมอบเทียนชนวนให้ท่านประธานพิธีแล้วนี่ก็นิยมถอยหลังออกมาให้ห่างจากท่านพอสมควร เพื่อไม่ให้ขัดขวางการถ่ายรูปของช่างภาพส่วนใหญ่แล้วญาติโ ย, ยมจะเห็นได้ว่าช่างภาพในส่วนใหญ่ก็จะถ่ายตอนที่ประธานนั้นจุดทุบเทียนบูชาพระรัตนตรยัยในฐานะที่เราเป็นผู้มอบเทียนจำนวนนี่ควรที่จะ อ, ออกห่างมาพอสมควรเพื่อให้การถ่ายภาพนี่ใช้ได้ญาติโยมโดยถอยห่างออกมานั่งชันเข่าหรือนั่งคุกเข่าตามควรแต่กรณีเพื่อคอยสังเกตดู เทียนจำนวนดับพึงรีบเข้าไปจุดได้ทันทีนะอันนี้เราจะเห็นง่ายๆแต่ว่ามันเป็นพิธีที่ยัตโยมเมกก็ยังไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมเขาจะต้องมีพิธีอย่างนี้นะส่วนใหญ่เราจะเห็นการเกือบทุกงานในส่วนของงานพิธีกรรมต่างๆที่ใหญ่ๆพอสมควรจะจบวิธีการรับเชิงเทียนชนวนจากผู้ใหญ่แม่ความบ้านหลังจากที่ท่านได้จุดทุกเทียนบูชาป ร, รารถนตรัยเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ ก็หมายความว่าเมื่อผู้ใหญ่จุดเครื่องสัการะบูชาพระรัตนตรัยเสร็จแล้วน่ะพิธีกรก็พึงเข้าไปทางด้านซ้ายมือของท่านนะ ถ, ถ้าท่านยืนจุดนะถ้าท่านยืนจุดนะหมายความว่าถ้าท่านยืนจุดพิธีกรพึงนั่งชันเข่ารับถ้าท่านนั่งคุกเข่าจุดพิธีกรพึงนั่งคุกเข่ารับเชิงเทียนฉนวน การรับเชิงเทียนชนวนจากผู้ใหญ่เนี่ยนิยมยื่นมือขวาแบบมือเข้าไปรองรับเชิงเทียนชนวนจากท่านเมื่อรับแล้วก็นิยมถอยหลังห่างออกไปเล็กน้อยแล้วก็เดินกลับไปได้ข้อควรระวังญาโยมนะข้อควรระวังในส่วนของตรงนี้ก็คืออย่าจับเทียนชนวนเหนือมือท่านผู้ใหญ่ที่ท่านจับอยู่ถือว่าเป็นการแสดงความไม่เคารพท่าน ทั้งเป็นการแสดงว่าตนเป็นคนไม่รู้ระเบียบอีกด้วยระเบียบง่ายๆที่เวลาเราไปกระทำนี้อาจจะทําไม่เป็นก็ได้นะเพราะฉะนั้นนี่ก็เลยอยากจะนําเนื้อาสาระเหล่านี้มาพูดคุยอย่างน้อยก็เคยได้ฟังแล้วละ่ะว่าที่เขาจุดเทียนชนวนเนี่มีความเป็นมาอย่างไรเราจะยื่นไปอย่างไรนะในฐณะที่ท่านเป็นผู้ใหญ่หรือผู้ที่เป็นผู้ใหญ่เองบางทีก็ยังไม่เข้าใจ ะว่าเอเขาเชิญเราไปจุดทูกเทียนบูชาพระธนไตรเราควรทำอย่างไรบางทีก็เห็นหลายท่านเหมือนกันก็ยังไม่เป็นนาะยะจบ ม, มีข้อควรระวังอย่างนี้นาะยโจมว่าอย่าจับเทียนชนวนเหนือมือท่านผู้ใหญ่ที่ท่านจับอยู่ถือว่าเป็นการแสดงความไม่เคารพเป็นการแสดงว่าตนเป็นคนไม่รู้ระเบียบแล้วก็ขณะส่งเชิงเทียนชนวนมอบให้ท่านผู้ใหญ่ อย่าถือกึ่งกลางเชิงเทียนน่าส่งมอบให้ท่านเพราะจะทำให้ท่านรับเชิงเทียนสัน้นฉนวนเนี่ยไม่สะดวกด้วยน่าต้องเตรียมไม้ขีดไฟเบื้องต้นติดมือไปด้วยเพื่อเตรียมพร้อมที่จะจุดได้ทันทีน่าเมื่อไฟเทียนชนวนดับนายจบแล้วก็ต้องกำหนดดูทิศทางของลมที่พัดมาโดยเฉพาะคือทิศทางลมที่เกิดจากการพัดลม หนาที่เกิดจากพัดลมจะจบจะทาให้ไฟเนี่ยไฟที่เราจุดเนี่ยเทียนชนวนนับหรือจะทาให้การจุดไฟเครื่องสักการบูชาไม่ติดหรือจุดไฟติดได้ยากถ้าเป็นงานมงคลที่มีพระสงค์เจริญพระพุทธมนต์เมื่อพระสงค์เจริญพระพุทธมนต์ถึงบทมงคลสูตรว่าอาเสวนาจะพาลานางปันทิตานานจ่านี่แหละพิธีกรจะต้องจุดเทียนชนวน เข้าไปเชิญท่านผู้เป็นประธานพิธีให้ท่านมาจุดเทียนน้ํามนต์อีกครั้งหนึ่งโดยมีวิธีปฏิบัติเช่นเดียวกับที่กล่าวมาแล้วล่ะนะหมายความว่าเราเชิญท่านมาจุดบูชาพระธนไตรแล้วก็ฟังพระสวดมนต์โดยเฉพาะในงานมงคลนี่ถ้าถึงบทสวดที่ว่าอาเสวนาจะพาลานังนี่แหละหนาพาหุงเนี่ยแหละที่เรารู้จักกันทั่วไปหนาเสวนาจาราลานังปัญติทานันจะ นาเสวนาผูชาจัปูชนียานังเอตัมมังคลุมตมังนี่มงคล38ประการที่สวดนี่แหละน่ะก็ญาติโยมหรือผู้เป็นประธานนี่ต้องไปน่ะต้องไปจุดน่ะเพื่อแสดงถึงอาการคารบสกักระเพราะว่าเมื่อกี้เราก็จุดนาบูชาพระธนตไตรแล้วน่ะถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญทีเดียว ทีนี้จะพูดความหมายในส่วนของเทียนหน่อยหนึ่งก็แล้วกันญาติโยมว่ า, าเทียนนี่ก็หมายความว่าอย่างไรเทียนที่เขาใช้จุดนี่ที่เคยพูดไปครั้งก่อนแล้วแต่อันนี้เป็นการจุดเทียนจำนวนแต่เมื่อพูดมาถึงเทียนแล้วจาเป็นที่จะต้องพูดในส่วนของเทียนสําสหรับบูชาพระธรรมด้วยนะซึ่งเทียนนั้นนี่ก็คือการาเทียนสําหรับบูชานิยมจุดบูชาครั้งละสองเล่ม เทียนเขาเรียกเป็นเล่มนะยะจมก็ไม่ได้เรียกเป็นอันนะบางคนเนี่ยเรียกผิดไหนไปเอาเทียนมาหนึ่งอันสิอย่างนี้ <c oughs> ไม่ใช่นาะยยะจมนะไม่ใช่ไม่ใช่ต้องเรียกคำ ว, ว่านะเล่มนะคล้ายๆสมุดนาะยยะจมสมุดหนึ่งเล่มแต่ในเทียนเขาเรียกเป็นเล่มเหมือนกันทําไมเขาจึงเรียกเป็นเล่มนะเพราะว่าหนึ่งละเทียนเป็นเทียนที่เพื่อ บ, บูชาพระวินยัยสองบูชาพระธรรม นะวินัยกับพระธรรมส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในพระไตรปิฎกด้วยบางอันเขาจึงเรียกว่าเป็นเล่มนะนะเป็นเล่มโดยความมุ่งหมายก็หมายความว่าพระสัตธรรมคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นนะได้แยกออกเป็นสองประเภทด้วยกันนะสองเล่มเนี่นะหนละคำว่าพุทธโธนะธรโมพุทธิโธ แปลว่าพระธรรมมีสองอย่างอย่างแรกก็คือพระวินัยพระวินัยก็คือสำหรับฝึกหัดกายและวาจาให้เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็พระธรรมสำหรับอบรมจิตใจให้สงบระงับจากความชั่วทุจริตทุกประการเทียน ย, ยมเทียนที่เขานิยมจุดบูชาครั้งละสองเล่ม ก็เมื่อสักครู่นี่แหละก็คือเพื่อที่จะบูชาพระวินัยหนึ่งเล่มนะบูชาพระธรรมอีกหนึ่งเล่มเทียนสําหรับบูชาพระธรรมในยะโจมนิยมใช้เทียนขนาดใหญ่พอสมควรแก่เชิงเทียนความนิยมใช้เทียนจุดบูชาพระธรรมนั้นด้วยก็กกโดยมีความมุ่งหมายก็หมายความว่ายะโจมอย่างนี้นะหมายความว่า ธรรมดาเนี่ยเทียนธรรมดาเทียนเนี่ยบุคคลจุดขึ้นณนะสถานที่ใดใครก็แล้วแต่ยัดโยมที่กําลังฟังอยู่เนี่ยจุดเทียนอยู่เนี่ยหรือจุดที่สถานที่ใดก็แล้วแก๋นามเทีย น, นนั้นเนี่ยย่อมอะไรยัดโยมย่อมกําจัดความมืดในสถานที่นั้นให้หายหมดไปถ้าไม่เกิดแสงสว่างขึ้นณนะที่แห่งนั้นฉันได้ยัดโยม พระธรรมพระศาสนธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจินวรสัมมาสัมพุทธ大เจ้านั้นนี่บุคคลใดก็แล้วแต่ญาติโยมมาศึกษาอบรมเกิดความรู้ความเจ้าใจขึ้นแล้วนี่ยอมกาจัดความมืดยอมกาจัดความมืดก็คือโมหะญาติโยมความโง่เขลาเบาปัญญาในจิตใจของบุคคลนั้นให้หายหมดไปทาให้เกิดแสงสว่างคือปัญญาขึ้น ในในจิตใจของตนฉันนั้นนาะยจมอันนี้พูดถึงในส่วนของเทียนที่ใช้บูชาณพระรัตนตรยัยซึ่งเอาม า, อาพูดคุยในส่วนของเนื้อหาสาระในวันนี้ก็แล้วกันนายจมเดียวอย่างไรวันนี้นี่จะได้นำนิทานแล้วก็มาฝากนายจม้วยวันนี้อาจจะนำนิทานในส่วนของมันโแน่ดอกนะ้ายว่าอย่างนั้น มาฝากกญาติยโยมด้วยว่าเนื้อหาสาระหมายความว่าอย่างไรนะซึ่งจะนำมาพูดคุยและก็นำมาเล่าให้กับญาติโยมในส่วนของวันนี้ด้วยนะจงติดตามรับฟังเดี๋ยวอย่างไรคงจะต้องยุติในช่วงแรกก่อนก็แล้วกันญาติโยมเพื่อให้ญาติโยมได้หยุดพักฟังสิ่งที่ดีทางสถานีทางพระพุทธศาสนาของเราก่อน นะหลังจากนั้นก็จะมาเล่านิทานให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนะด้วยวันนี้เดี๋ยวจะนํานิทานสิ่งที่ดีมีประโยชน์มาฝากกับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายด้วยนะเข้าพรรษาแล้วงดเล่าเข้าพรรษาก่อ น, น, อนและกันญาติโยมนะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีถ้าเรางดเล่าเข้าพรรษา สะอาดกายไกลทุกข์เปี่ยมสุขได้สว่างใจบริบูรณ์เปี่ยมคุณค่าสงบเป็นปกติมั่นเปี่ยมปัญญาร่วมงดเล่าเข้าพรรษาบูชาธรรมด้วยความปรารถนาดีจากโรงเรียนพระปริยติธรรมพันศีวิทยาและสถานีวิทยุชุมชนเพื่อพระพุทธศาสนาวัดพันศรรีตำบลจารพัฒ์อำเภอสิขรภูมิ จังหวัดสุรินไหนยเครับนี่โตน้ไหน่เรื่องถ้าเธอสงสัยการฟัรทมว่าฟังทำไ ม, ไม อ, ยอยากบอกให้รู้ให้เข้าใจ ในทุกวันจิตใจวุ่นวายแล้วอกว่นจริงห่วงใหญ่กันปรับใจเธอหนึ่งให้ได้มีหลักในใจการใครคนนจะทำอะไรอะไรดีด nice. ีลบใจมองมนมันต้องมีอะไรอะไรที่เป็นเหตุผลจากฝั่งทานานบอกเลยว่า ความรู้เธ อ, อยังไม่รู้ก็ได้รู้ต่อไปขอแค่เธออย่าเลิกฟังฝึกลุกฟังตั้งหลักใจและแล้วชีวิตก็พลันทันหนา หลับฝันแต่เรื่องดีจิตใจเพียงพอตื่นมาลวยฝันที่เฝ้ารอในทุกวันมีคุณความดีมาให้พรสุขใจยังฝันห่วงใยเธอนั้นจึงให้เธอฟังธรร ม, มา ใครคนหนึงจะทำอะไรอะไรดีดีดลบใจมองมนมันต้องมีอะไรอะไรที่เป็นเหตุผลจากฟังทำนั้นบอกเลยว่าผลที่ได้คือความรู้เธอยังไม่รู้ก็ได้รู้ต่อไปขอแค่เธออย่าเลิกฟังฝึก Oh. Mm -hmm. ฝึปลูกฝังตั้งหลักใจและแล้วชีวิตก็พลันพัฒนานขอแค่เธออย่าเลิกฟังฝึกปลูกฝังตั้งหลักใจและแล้วชีวิตก็พลันพัฒนาน เข้ามาสู่ช่วงที่สองของรายการยะโจมหลังจากนะอาตมาภาพได้พักชันน้ำเนื่องจากว่าคุยมาสามสิบนาทีนี่ก็ต้องดื่มน้ำดื่มท่าเลยยะโจมเนาะนะก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะก็เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาก็มีคุณโยมจากาจากไหนเนี่ยเมื่อสักครูน่นี่ขอดูโฉนดที่ดินก่อน นะ่ะขอดูโฉนดก่อนกันแล้วกันนะมาจากคุณโยมเยาวเรศว่าอย่างนั้นคุณโยมเยาวเรศนะมาจากคุณโยมเยาวเรศวิมุตตนะคุณน่ะตำบลจารพัฒน์บ้านจะลงตำบลจารพัฒน์อำเภอศิขอรภูมิจังหวัดสุรินด์ด้วยเมื่อก่อนได้แจ้งว่ายังไม่ได้รับหนังสือโทรศัพท์เข้ามาเพราะว่าหนึ่งอาทิตย์แล้วจากที่ส่งไปไม่ได้รับแต่นี้ตอนนี้ได้รับแล้ว ก็เลยโทรศัพท์เข้ามาสู่รายการเมื่อสักครู่เห็นว่ามีโทรศัพท์เข้ามาสายที่2ด้วยนะเปิดว่ า, าลงไปข้างล่างเมื่อสักครู่นะต้องใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ขึ้นมานี่ก็สายหลุดไปแล้วก็ไม่เป็นรายะเอยดนะสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาหลังจากจบรายการประมาณ5นาทีก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้นะก็ติดต่อสอบถามข้อมูลอะไรก็แล้วแต่ นะก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้เช่นเดียวกันวันนี้จะนำนิทานในส่วนของเนื้อหาสาระเรื่องที่93สของพระพุทธเจ้าห้าร้อยชาติมาฝากกายยโจมด้วยในวันนี้ชื่อว่ามันบ่อเน่ดอกนายว่าอย่างนั้นนิทานเรื่องนี้หนีนานมาแล้วหละยะโจมนะมีอาจารย์ทิสาป่ามอกคนหนึ่งในเมืองตกาศิลามีลกคิีดห น, น, นีเยอะในยะโจมห้าร้อยคนนี่ไม่ใช่น้อยนะ มีอาจารย์คนเดียวแต่มีลูกศิษย์ถึงห้าร้อยคนเนี่ยหาได้ยากยาจมหนึ่งในจํานวนห้าร้อยคนนั้นมีชื่อเจ้าลูกศิษย์คนนี้ชื่อว่าลามกยะจงไม่รู้ว่าลามกยังไงท่านอาจารย์หมายความว่าทิศสาปามกนี่แกชอบไปเรียกลูกศิษย์ว่าอย่างนั้นนะจํานวนในหนึ่งนั้นชื่อว่าลามกอาจารย์อาจารย์เรียกคนนั้นนะ เจ้าลามกนะอาจารย์แกจะเรียกเจ้าโลโมกไปนั่นเจ้าลาโมกไปนี่ดังนี้อยู่เสมอๆนะท่านอาจารย์ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจนความรู้สึกนี่รำคาญเต็มทีนึกตะคิดตะขวงใจตลอดเวลานะ่ะแกนึกตะคิดตะขวงใจว่าชื่อเราเนี่ยไม่ดีเลยเราจะขอให้ท่านอาจารย์เปลี่ยนให้เสียใหม่ดีกว่า จึงในเวลาต่อมาญาติยโยมเขาได้เข้าไปหาอาจารย์แจ้งความประสงค์ให้ทราบทุกอย่างแหละอยากจะเปลี่ยนชื่อนาะยญาติโยมหลายคนที่ฟังรายการนี้อยู่ก็เคยเปลี่ยนชื่อมาแล้วนะยญาติโยมฟังเรื่องนี้ให้ดีก็แล้วกันอาจารย์ก็เลยบอกว่าเอา้าถ้าอย่างงั้นเนี่ยเราจะไม่ไม่ตั้งให้นะแต่ให้เจ้าจงไปเที่ยวเลือกหาชื่อที่เธอชอบใจแล้วนํามาบอกเราเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนให้ อาจารย์เขารับสั่งอย่างนี้นัดยมไม่ใช่ไปหาให้อาจารย์ตั้งให้นี่อาจารย์ให้ไปหาชื่อเองชื่อไหนดีๆเนี่ยเอามาอาจารย์จะแต่งให้ไหว้ยังไงเขาตอบรับคำอาจารย์ยัโยมแล้วก็เที่ยวไปทุกหนแห่งทุกแห่ง ห, น, ห, น, หนตำบลไหนจนไปถึงเมืองหนึ่งยัจยมแกก็ได้พบกับชายคนหนึ่งซึ่งตายไปแล้วแล้วก็ทราบว่าชื่อนายเป็นแม่ชื่อนายเป็ น, แ, น, ปนแต่ตายยัโยม หมูญาติเนี่กกำลังนำศพของนายเป็นไปยังป่าชานายลามกก็เลยถามว่าเขาชื่อว่าเป็นแล้วทำไมถึงตายล่ะ <c oughs> ในความคิดมีด้วยอย่างนี้ญาติโยมเขาชื่อเป็นทำไมจึงตายล่ะจะชื่ออะไรก็ตามเถอะต้องตายเหมือนกันทางนั้นแหละ <c oughs> พวกญาติพี่น้องเขาตอบญาติโยมเพราะคนเราเนี่ยไม่สำคัญที่ชื่อ เป็นแต่ตั้งไว้สำหรับเรียกกันตามภาษาสมมติเท่านั้นเมื่อนายลามกได้ฟังอย่างนั้นแล้วยายยมความอยากจะเปลี่ยนชื่อของเขาชักจะหดหายไปแล้วยายยมจึงกลับมาเดินทางเก่ายายยมพบนางทาสีคนหนึ่งซึ่งกำลังถูกนายเคี่ยนตีอยู่จึงไปถามว่าท่านเนี่ยตีหญิงคนนี้ทำไมน่า นายก็เลยบอกว่าก็มันไม่มีดอกบี้ให้ฉันนี่นายผู้โหดร้ายเขาตอบยัดยมเธอชื่ออะไรล่ะครับเขาก็ถามต่อไปยัดยมนางคนนี้นะชื่อนางรวยว่าอย่างนั้น <c oughs> เจ้ก็เลยบอกอา้าชื่อรวยแล้วทําไมถึงจนล่ะครับนั่นเป็นเพียงชื่อเท่านั้นนะนายผู้โหดร้ายอธิบายถึงชื่อนางรวยไม่ใช่ว่าจะรวยตามชื่อเสียเมยื่อไรล่ะ นายลาโมกญาติโยมได้ฟังดังนั้นเนี่ยความอยากจะเปลี่ยนชื่อที่หดหายไปเมื่อครู่ยิ่งไม่มีเหลือติดค้างในหัวใจเลยญาติโยมเขาก็ส่หน้าอย่างเหนื่อยนายแทนคำตอบแล้วก็เดินออกเดินทางต่อไปญาติโยมสักครู่ก็ได้พบคนหลงทางคนหนึ่งญาติโยมถามถึงชื่อได้รับคำว่าเขาชื่อนายเจนทางไว ชื่อนายเจนทางจึงสักถามต่อไปว่าเนี่ยท่านชื่อนายเจนทางแต่ทำไมถึงหลงทางล่ะชายตนนั้นก็เข้นแล้วก็หัวเราะพลางตอบว่าแกเนี่ยนะช่างโง่ดักดานเสียจริงๆนั่นเป็นเรื่องของชื่อแต่ทุกอย่างมันไม่ได้เป็นไปเหมือนกับที่ชื่อนะ่าจะบอกให้นะ นายลามกสายเน่อยอย่างสิ้นหวังย่าจรบรีบเดินดุมดุมดุมเดินไปถึงสำนักอาจารย์เร็วรี่ทีเดียวย่าจบนะอาจารย์เห็นเดินมาแต่ไกลก็เลยบอกว่าอื้อลามกเจ้านี่ไปเทียวสแสวงหาเลือกชื่อที่เหมาะสมได้หรือยังอาจารย์เขาถามนะยย่าจบนายลามกก็บอกว่าอาจารย์ครับเขาบอกนะ เขาบอกอาจารย์เสียงอ่อยๆยยาดยมว่าคนที่ชื่อเป็นก็ตายได้คนที่ชื่อรวยก็จนได้คนที่ชื่อเจนทางก็กลับหลงทางได้นะข้าเลยเข้าใจว่าชื่อไม่อำานวยประโยชน์อันใดเพียงแต่มีไว้เพื่อเรียกให้รู้กันตามสมมติเท่านั้นตอนนี้ขา้าไม่ติดใจที่จะเปลี่ยนชื่อแล้วขอล้มเลิกขอรับท่านอาจารย์หยาดโม อาจารย์ได้ฟังอย่างนั้นเป็นยังไงยะจมแกหัวเราะยะ ย, ะยะมแกหัวเราะแล้วแกก็พลางบอกว่าเจ้าลามกเอยเจ้าลามกในโลกนี้คนเราไม่ได้นะในโลกนี้นะคนเราเนี่ยไม่ได้แน่อยู่ที่ชื่อดอกทุกอย่างมาอยู่ที่การกระทานะลามกนะคนชื่อดีเป็นคนชั่วแต่คนชื่อชั่วเป็นคนดีเขาก็มีถมไป เจ้าจงจำไว้นะลามกนะเจ้าเรามกก็บอกว่าเขารับท่านอาจารย์ผมจะจำไว้เขาก็รับคำแล้วก็พร้อมกับลงกราบอาจารย์ด้วยความเลื่อมใสศรัทธายาจมแล้วก็ลุกออกไปตั้งหน้าตั้งตาร่เรียนวิชาการต่างๆยาจมโดยไม่เอาใจใส่หรือนึกคิดตะกิดตะขวงเพราะชื่อของเขาอีกเลยญาจม เพราะฉันยโยมสาธุชนทั้งหลายนี่คติเรื่องนี้หมายความว่าอย่างไรย่าโยมพอจะบอกอาตมาภาพได้ไหมเรื่องที่อาตมาภาพโทรไอคุยเมื่อเรื่องเมื่อสักครู่นี่ใครตอบได้นะนะมันไม่แน่ดอกนายเนี่ยเรื่องเมื่อสักครู่นี่มันหมายความว่าอย่างไรย่าโยมโทรศัพท์เข้ามาสู่รายการกันแล้วกันที่ศูนย์สี่สี่ห้าหกศูนย์สี่แปดแปดเพื่อบอกว่าเรื่องเมื่อสักครู่นี่มันหมายความว่าอย่างไรนะ ก็สามารถพูดคุยนะพูดจาการแต่ภาพได้เป็นนะปกติได้ยศโยมเมื่อสักครูสายเมื่อสักครูนี้ถ้าต้องการพูดคุยอย่างไรก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสู่รายการด้วยนะก็ยศโยมที่แจ้งรายชื่อว่าได้รับหนังสือมาแล้วนี่ก็มีมากพอสมควร ก็มีญาติโยมที่ยังไม่ได้แจ้งหนังสือว่าได้รับแล้วก็มีพอสมควรที่แจ้งมาแล้วก็มีคุณวิียรยาคุณเป็นคุณอัชราคุณพยอมคุณสมยศคุณยาวเรศคุณไตรพบคุณวันร้านโอเคจักรยานคุณโยมเพ็ญนาภาคุณโยมชวีคุณโยมสุพินคุณโยมโกศลคุณโยมสุรวิทยคุณแม่เข้มนะอันนี้คือ แจ้งว่าได้รับหนังสือแล้วนะที่เหลือก็แจ้งทยอยแจ้งมาก็แล้วการยัดยมนะก็ต้องข อ, อนุมัตินาที่ต้องการรับหนังสือเดี๋ยวโครงการที่2มีแน่นอนแต่กําลังวางแผนอยู่ว่าจะทําแบบไหนอย่างไรเพื่อที่จะให้ยัดยมที่ติดตามรับฟังนั้นได้รับประโยชน์จากทางสถานีร้อยหเมกะเฮิรตซ์ด้วยก็แล้วกันนะกะติเรื่องนี้ได้มีความหมายว่าอย่างไรยัดยม นะถ้าไม่มีใครตอบเดวจะตอบให้ฟังก็แล้วกันว่าคติที่ได้จากเรื่องเมื่อสักครู่นี้ในส่วนของอาจารย์และก็นายลามกเนในส่วนเรื่องนี้ก็หมายถึงว่าการตั้งชื่อนะการตั้งชื่อตามตำราพราหมณ์โดยถือดวงหรือทักษะเป็นหลักนั้นนี่ไม่ใช่สิ่งสำคัญนาะยโยมคนเรานั้นจะดีหรือเลวอยู่ที่การกระทาต่างหากละ่นะหากเขาทาดีก็เป็นคนดีได้ แต่ถ้าหากเขาทําชั่วถึงชื่อจะวิเศษสักบานใดชื่อสวรรค์วิมานเทวนานะมันไม่เกี่ยวกันเลยยะโจมนะก็ชื่อมันจะไม่จะชื่อวิเศษสักบานใดก็เป็นคนไม่ได้ดีฉะนั้นหลยยะโจมนะถ้าเกิดว่าเขาทําชั่วทําดีถึงชื่อจะไม่ดีแต่ว่าอาจจะเป็นมงคลนะก็ได้ยะโจมอันนี้นํามาฝากในส่วนของเนื้อหาสาระก็แล้วกัน วันพรุ่งนี้จะมาพูดคุยในส่วนของเรื่องเวลานี่แหละยอดโยมนะก็เรื่องของการปฏิบัติกัดการจุดเครื่องสักการบูชานะว่าเราจะจุดเครื่องสักการบูชาพระรัตรานาไตรนี่ในงานบนงานมงคลนี่เราจะจุดบูชากันอย่างไรคําบูชาพระรัตนาไตรเขานิยมกล่าวว่าอย่างไรวิธีกราบพระรัตนาไตรเราจะกราบกันอย่างไร คำระลึกถึงพระตัตนตรัยขณะกราบนี่ในกะตอนที่เรากราบนี่เราต้องระลึกอยู่เสมอด้วยว่าเราจะระลึกกันอย่างไรการจุดเทียนทําน้ํามนต์นั้นเขาจะจุดเทียนในช่วงเวลาไหนอย่างไรหน้าพิธีบําเพ็ญกุศลสวดพระอพิธรรมเราจะทํากันอย่างไรหน้าพิธีบําเพ็ญกุศลโดยมีพระธรรมเทศนาและสวด ร, รับเทศเราจะทํากันอย่างไรหน้าวิธีการปฏิบัติเมื่อพระเทศเราจะทําอย่างไร ก า, ารปฏิบัติเมื่อประสงคสวดพระพุทธมนต์จะต้องปฏิบัติกันอะย่างไรและก็วิธีปฏิบัติเมื่อประสง์สวดพระอภิธรรมเราจะทํากันอย่างไรวิธีปฏิบัติเมื่อประสงค์สวดถวายพรพระเราจะทํากันอย่างไรวิธีปฏิบัติเมื่อประสงสวดมาติกาบางสุกุลเราจะทํากันอย่างไรเหล่านี้เป็นต้นยอดย่อมนํามาฟังในวันพรุ่งนี้ถ้าไม่จบก็จะต่อกันในวันมะรืนนี้ก็แล้วกันนะ ก็นำมาฝากในเนื้อหาสาระของเหล่านี้เลยญาติโยมก็อาจจะเป็นประโยชน์กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ติดตามรับฟังรายการ 106.75 เมกะเฮิร์ในวันนี้ด้วยก็แล้วกันญาติโยมวันนี้นี่ดูเวลาแล้วก็คงจะสมควรเก่เวลาแล้วละนะเหลือเวลา5นาทีก็สามารถที่จะสนทนาพูดคุยกันได้หลังจากจบรายการ นักย้มที่โทรศัพท์เข้ามาสู่รายการก็อยากจะคุยอยากจะสนทนากับอาตมาภาพก็044560488หรือผู้ที่กําลังเดินทางในส่วนของไปไหนก็แล้วแต่ถ้าเปิดคลื่นมาเจอก็สามารถที่จะโทรศัพท์มาอาพูดคุยในส่วนของเนื้อหาสาระหลักธรรมคําสอนหรือนากิชมรายการเข้ามาสู่รายการได้ที่เบิดโทรศัพท์044560488วันนี้อาตมาภาพ นะก่อนจะจบรายการในวันนี้เยี่ยมติดตามรับฟังรายการของอาตมาภาพได้ในช่วงเวลา18บแนาฬิกาสามนาทีที่จะถึงนี้แล้วก็เวลา21่สนาฬิกาจนถึงลา22่สนาฬิกาถ้าเกิดฝนตกหนักทางสถานีจังเป็นเย่ยต้องยุติขาร อ, อากาศเยี่ยจบแต่ในวันนี้เห็นว่ามีตกบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะในส่วนของฟ้าขนองยังไม่มีเยี่ยจบนะก็สามารถติดตามรับฟังรายการทุกรายการของ 106.75 เม้าเมิเต์ด้วยวันนี้อาตมภาพพระสมรักญายานีโรวัดพันศีตำบลจารพัฒอำเภอสิอรภูมิจังหวัดสุรินต้องขออำลาพาจากญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความสวัสดีจงมาเกิดมีเกยะโจมผู้รับฟังรายการทุกทุกท่านขอเจริญพร